สิขาบทวิพังห้าร้เสนาสนะป่าความว่าเสนาสนะที่ชื่อว่าป่าได้แก่เสนาสนะมีระยะห้าอชั่วธนูเป็นอย่างต่าที่ชื่อว่าหน้าวัดระแวงคือในอารามอุปจารแห่งอารามปรากฏที่อยู่ปรากฏที่กินปรากฏที่ยืนปรากฏที่นั่งปรากฏที่นอนของพวกโจรที่ชื่อว่ามีภัยน่ากลัวคือในอารามอุปจารแห่งอาราม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 ที่ชื่อว่าไม่ได้รับแจ้งไว้ก่อนคือถึงจะแจ้งแก่สาธมิกทั้ง5้านี้ชื่อว่าไม่ได้รับแจ้งไว้แจ้งในที่อื่นเว้นอารามอุปจารย์แห่งอารามนี้ก็ชื่อว่าไม่ได้รับแจ้งไว้ที่ชื่อว่ารับแจ้งไว้คือผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามมาที่อารามหรืออุปจารย์แห่งอารามแล้วบอกว่าพระคุณเจ้าทายกทายิกาจะนําของเเคี้ยวหรือของฉันมาถวายภิกษุชื่อนี้ท่าทีนั้นน่าหวัระแวง ภิกษุจึงบอกว่าหน้าหวาดระแวงถ้าที่นั้นมีภัยน่ากลัวภิกษุพึงบอกว่ามีภัยน่ากลัวถ้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรขอรับเขาจะนํามาเองภิกษุต้องบอกพวกโจรว่าพวกชาวบ้านจะเข้ามาที่นี้พวกท่านจงหลบไปเมื่อภิกษุได้รับแจ้งด้วยข้าวต้มแล้วเขานําเครื่องบริวารข้าวต้มนั้นมาด้วยนิชื่อว่าได้รับแจ้งไว้เมื่อภิกษุได้รับแจ้งด้วยพระทหารแล้วเขานําเครื่องบริ วันพระทหารนั้นมาด้วยนี้ก็ชื่อว่าได้รับแจ้งไว้เมื่อพิสูจนได้รับแจ้งด้วยของเคี้ยวแล้วเขานําเครื่องบริวารของเคี้ยวนั้นมาด้วยนี้ก็ชื่อว่าได้รับแจ้งไว้เมื่อพิสูจน์ได้รับแจ้งเฉพาะตระกูลพวกคนในตระกูลนั้นนําของเคี้ยวของฉันมาถวายนี้ก็ชื่อว่าได้รับแจ้งไว้เมื่อพิสูจ์ได้รับแจ้งเฉพาะหมู่บ้านพวกคนในหมู่บ้านนําของเคี้ยวของฉันมาถวาย นี้ก็ชื่อว่าได้รับแจ้งไว้เมื่อพิสูจน์ได้รับแจ้งเฉพาะสมาคมพวกคนในสมาคมนั้นนำของเคี้ยวของฉันมาถวายนี้ก็ชื่อว่าได้รับแจ้งไว้ที่ชื่อว่าของเคี้ยวคือยกเว้นโภชนะหยามากาลิกสัตตากาลิกและยาวชีวิกนอกนั้นชื่อว่าของเคี้ยวที่ชื่อว่าของฉันได้แก่โภชนะหคือข้าวสุก ข, ขนมกุ ม, มารข้าวตูปลาเนื้อ ที่ชื่อว่าในอารามได้แก่สำหรับอารามที่มีรั้วล้อมกำหนดเอาภายในอารามสำหรับอารามที่ไม่มีรัว chlorine, ้วล้อมกำหนดเอาอุปจันย์อารามที่ชื่อว่าไม่เป็นไข้คือภิกษุผู้สามารถไปบิณฑบาตฉันได้ที่ชื่อว่าผู้เป็นไข้คือภิกษุผู้ไม่สามารถไปบิณฑบาตได้ภิกษุไม่เป็นไข้ไม่ได้รับแจ้งรับประเคนด้วยตั้งใจจะเคี้ยวจะฉันต้องอบัดทุกกฎฉันต้องอาบัดปฏิเทศนิยะทุกๆคํากลืน